เป็นที่ยิยนดีมีศรัทธาจากหลายๆแห่งใกล้ๆไกลๆ ก, ก็มีศึกามา ถ, ถึงสุขโตก็ทำให้หมู่สงสุขโตอบอุ่นดีหรือว่าใี้รู้ว่า เรเห็นเราพุทธบริษัททังพระสงฆ์ด้วยมาสกวาศิกาด้วยก็ไม่ไม่สนเปล่าวัดป่าสุกโตนี้ยังมีพุทธศาสนิกชนมาใช้เพื่อศึกษาปฏิบัติ อันนี้ก็สมความตั้งใจของเราที่สุขโต้ก็เป็นความประสงค์อย่างนี้เพื่อให้พวกเราได้มาศึกษามาใช้มาพิสูจน์ด้วยกันดูโดยพ่อภาพปฏิบัตินะมันจะต้องพิสูจน์กันแล้วเราจะไปกำกำๆกลายๆกันอยู่มันไม่ได้ซับข้ง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 พบเห็นเกิดการประจับแก้กับชีวิตของเราฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันขึ้น14ครับเดือนแปดตรงกับวันที่12กอรกรดาลของแล้ก็ตรงกับวันเสาร์ด้วยก็เราก็มีโอกาสมากัน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 เราสัมผัสได้ในวันนี้โดยเพพาะการแสดงวธรรมเทศนาของพุทธจา ว, วันพุ่งนี้ถลมเาวากมโนภาพดูวันนี้อาจจะพบออก่อนวันนี้อกเกืกอบวันอาจจะพบปัญจวีรีอยู่ที่ห่างจากศารนาไปประมาณเจ็บกกิโล หลวงพ่อก็ได้ตามร่องรอยดูจากพุทธคยาอันาวถีเนี่ยทางประมาณสองสามลอยกิโลพรจองค์เดินหลังจากการตัดสิัูเป็นเดินหกแล้วองค์อาจจะเสวยมิมุติสุขอยู่แถวแถวต้นศรีมหาโพสี่สิบกว่าวัน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 เป็นเรื่องสุดหัวใจของผู้ที่ได้สำเร็จตันยิงย่งใหญ่ในการตัดสูลอนุตละสมาสมพุิญาตเกิดขึ้นในโลกกันครั้งแรกที่สุดอกจ า, า, าการนก็ไตัดสินใจพิจารณาที่จะสอนสิ่งทีง่พระองค์รู้ให้ใครที่ไหนหนอคิดถึงอุทธกถ า, าบทอราตตาบทก็หมดชีวิตไปแล้ว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 ก็เลยะตามหาปัจจวิัคีซึ่งพอจะปูดกันรู้เรื่องโดยจะเดินจากพุทธพยา 200-300 กิโลแต่วันนั้นหลวงพ่อนอนรถนั่งรถไปรถไปติดอยู่สะพานโซนี่ความยาว7 ก, กิโลไปติดอยู่ที่นั่นเกือบ3ชมั่วโมง ก็มีแขกเอาอาหารมาขายได้แต่ว่าสิ่งที่น่ า, าชื่นใจคนอินเดียข น, นาดรถดติดสามชั่วโมงคนก็นั่งยิ้มกันตลอดไม่มีใครหน้าบุนหร่อถึงเครียดเขาเคยคินกับการไม่สะวดวกเยอะแยะเขาเขาก็เลยเกิดความเครียดแข็งพวกเราที่ไป แสดงบุญในพระคณะต่างก็ทางข้าวก็บอกให้ทางข้าวก็นั่งอยู่บนรถก็บอกให้คณะคนไทยที่ไปแสดงบุญให้เอาอย่างเขาบ้างอย่าใจร้อนใจเย็นๆการแสดงทำนั่งเทีอยู่ในรถมัดมือชกเลยไปไหนไม่ได้ตอนนั่งนั่งอยู่ในรถสแสดงทําอยู่างนั้นก็ รู้สึกว่าทำใจได้แล้วแต่กานเดินจากพุทธคยาไปถึงป่าอิบิป ต, ตนะมฤคทายวันเก่งชั่วโมงโอเคแล่วนํารถพระพุทธเจ้าขัราเดินไปหานกี่วันกี่เดืนอนก็ไปแสดงธรรมที่นะั่ไปพบปัญญไวคีขั้งแรกนะ ปัญจาวิคีี์ไม่อยอมรับเลยพอมองเห็นรพระพุทธเจ้า็่าขี้หน้าว่าสมนะมากๆ ม, มาแล้วพวกเราไม่ต้องต้อนรับนี้ไปกันเดินนี้ไปพระเจ้าก็พักอยู่ที่ตรงนั้นแต่ว่าวันหลังก็ตามไปอีกดูสิ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 ไม่มีอะไรที่จะทำให้ท้อถอยก็จะตามไปวันหลังต่อมาก็ตามไปจากที่พบครั้งแรกไปถึงป่าอิศิปตนะประมาณเก็ดิกิโลเราก็เดินไปพบอีกพอไปพบอืมโกนธัญญาผามก็บอกว่าปพัติยะมหานามะว่าพวกเราไม่ต้องลุกนั่งอยู่นี่แหละ สัมเนธผุมากมาแล้วเราจะสนใจหรืไม่สนใจก็ไม่ต้องสงสสนใจอลยรถ้าสงส์จะนั่งก็ให้นั่งถ่านไม่สงส์จะไม่นั่งก็ไม่เป็นไรแต่ว่ากลนถ้าจะผามซึ่งเป็นผามนุ่มสมัยทำลายพระลักษณะขององค์ตอนที่เกิดได้ประตรได้ เจ็ดวันก็อนทยาพามนี่ทำลายเป็นลักษณะเดียวว่าจะต้องออกบวชก็มั่นใจในการทำลายของตัวเองชมชวนว่าป่าพัิยมหานามาอัศคิกออกบวชตามก็ยังมีสไาล์เราเห็นพรับพทธเจ้าเลินมาวดไม่ได้ลุกขึ้น เอาผ้าอาสนะตปปูที่แรกนักกันว่าจะไม่ตอนนับพอพระองค์เดินก็ไปใกล้จริงๆรอกคนไดย่าผ่าเอาผ้าปเป็นศีธระปิดปูนนในแต่ว่าประชงจะนั่งก็นั่ไม่ประสงจะนั่งก็ไม่เป็นไรแต่หันหน้าใส่แต่ว่าป่าปริยญาพหาันวาอาจจะขียหันหลังให้อโอเคมก็ยังมีความเที่ยง ดูก่อนปัญจบรีเค <c oughs> ดูก่อน <c oughs> เราจะพูดอะไรให้ฟังสิ่งที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นการตัดสู่เกิดขึ้นแล้วในโลกพปพดองพูดถึงก็ว่าการตัดสู่โกนท้นจะพังนั่งไม่เปยไดยนีนั่งปล่า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 คนที่มีทุกข์คือคนไม่พบทางคนที่มีความหลงขับแค้นแน่นใจคําเครียดกิตกังวลคือคนไม่พบทางมันก็หลงทางเราพบทางไม่มีไม่มีต่วมันมีทางออกเยอแยะมองทะลุทะลวงไปแล้วเช่นความโกรธมันก็เห็นก็ไม่โกมันจะโกรธได้ไหมมันหลมก็มองเห็นก็ไม่หลง มันจะหลงได้ยังไงยิ่งเทุกข์มันก็มองต้องคนไม่ทุกข์มันจะทุกได้หรอมันไม่ถูกต้องใครจะไปยอมพบมันเห็นเหมันเรากินหัวข้าวข้าวกับข้าวของเราอยู่ในตู้เอาไวเ้เก็บไว้ตู้เย็นอย่างดีใครจะไปยอมหัวข้าวเพรเรามีอยู่หัวต้องเอามันก็บการที่ใช้ชีวิตกรรมนั้น ของที่มันมีก็ต้องเกิบมาใช้ในคราวสัเสี่ถ้าไม่จําเป็นมันก็ต้องมาหย็บไปเช่นเวลาทุกมันก็เอาควมมาทุกไม่ทุกมันมาใช้เวลาความโกรธก็กอไม่โกรธมาะช้เวลาความโกรก็เอไม่โกรมาใช้นี่ยมันมีมันเป็นของที่มีอยู่ แย่างนี้ว่าคนพบทางเราทําบันนี้ก็ะดทําให้จักรกับปวัตตสูตรยังมีอยู่ในชีวิตของเราคือคนเป็นๆคนยังมีโลมหอยใจที่มีสุขมีทุกข์มีร้อนมีหนาวจ้ำจําเป็นเหมืกัคนหลงทางต้องจาเป็นต้องหาทางหลายคนที่มาสุกษาโตนะอย่างกรุงเทพหลงทางพอมาถึงโอ้ยหลงทางเราก็ แต่ว่าเขาก็มาถึงถ้าหลงก็ยิ่งหาถามไม่เป็นก็ต้องถามพอไปมาก็มามาถึงที่ใจระมัดต่อเจรเวลานอยเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของเราลองใส่ใจมองอะไรอย่าไปมองแบบอับผัอับจน ม, มองแบบทะลุทะลวงจะลอง เอาอยาวเราปฏิจจัตามรอยยุคคนบัดเอาอย่างเหล่าพระสาวพรทั้งหลายในวันนั้นอาจจะเป็นวันนี้ของผู้เราเพราะว่าพระดคำคําสอนไม่เสือ่อมเป็นอากาจิโกเป็นเอหิปัสสิโกเป็นโอปนนาจิโกเป็นปัจจัตังลู่ได้ สมกับการปฏิบัติของเรานะการประกาศศาสนาของตเรามันไม่เสื่อมไปนะถ้าเรามองจริงๆศึกษาจริง้ว่าแต่ตั้งต้นจากปวอมรู้สึกตัวมันจะมาเป็นภวเรื่เราไม่ปวมรู้สกตัวอยู่ที่กายนะ ตัวที่เราจะมีความรู้สึกยู้สุดตัวปฏิบัติมันผ่านอะไรมามันผ่านมาได้ไดแล้วแต่ตอนไม่ยู่ที่ไหนไลยลูกของน่า้องล้อนนั่นนั้นนี้อยู่ที่ไหนไม่ลูกพอมายกรู้สึกตัวโอ้โหมันผ่านอะไรมาตัวที่จะบรรลุสึกตัวหรือไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันผ่านความผิดความหลงอะไรมาเยอะจนมาถึงความรู้สึกตัว ความรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจความรู้สึกตัวอยู่กับกาพเคลื่อนไหไมวมันไม่ใช่แด่กนอนเราจะไปมองว่าเแค่ได้หรือไม่ครับคนะวญญามรู้สึกตัวมันไม่ใช่แค่นี้มันยิ่งใหญ่นะแต่ศีลสมาธิปัญญาเกิดมากก็เป็นความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่เป็นวิสังคารด้วยเป็นนิพพานด้วยแล้รู้จริงๆนะ แต่ถ้าลูกเรื่องลูกต้องหลงก็ยังเป็น ต, ต, ต้องกำลังเดินทางอยู่ให้เราไม่ความเพียงตรงนี้สักหน่อยมันจะเสียเวลาจากที่เราทำการประชาธรรมมากปวดหลบปวดร้อนํำบุญให้ทานจากวัดช่างบ้าอ่าไม่แก่พวกเราแต่ว่ามันขาดแข็งตรงนี้สหน่อย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 หลายคนที่เป็นพยาบาลนาเนี่ยถ้ามีคนป่วยบ้างหนะเขาก็มั่นใจจะต้องรักษาคนป่วยให้หายบางทีก็บอกว่าอีกสองวันกลับบ้านได้ไเวลาหมอมาตรวจแล้วก็กลับไปอีกอันนี้ก็สำคัญถ้าเราทำที่ทำงานเรื่องต่างๆเราก็มั่นใจนะเราเป็นครูเราเป็นพ่อเป็นแม่เวลาลูกเราเป็นปัญหา เราไม่ก็สามารถแก้ได้ด้วยเตรียมตอของเราหเราเลยทำเถอะเอามาเอา ม, มาโลบ้องให้แม่บอกเอามาเอา ม, มาพ่อเอาไปหลแม่บอกเอามาพ่อไปหลบพ่อกเอามาโอ้เอาออเลยอี น, นี้ก็ครับความจริงมันก็อยู่บนความจริงไปโดยเฉาะตัวปฏิบัติทํา ทำเดีย๋ยวนี่ก็รู้ได้เลยไม่ต้องรอเยยกมือขึ้นรู้สินะยกก็รู้เพื่อนมาไม่ก็รู้รู้ ท, ทันทีไม่เหมือนอันอื่อันอื่นต้องรองนะอตูต้นน้อยกวจะออกดอกออกผลนะตัวห้าปีหกปีพวกพริกก็ต้องสี่เดือนสามเดือนพวกกระปุกสี่สิบห้าวันต้งองรอ แต่ว่าการตกกับตกลูก่ลได้ทันทีลู่ได้ทันทีเวลามันหลงความโล่งู่ไปเสร็จป้อลงก็าหายทันทีเออมันก็ใช่ได้เดียวเวลามันหลงแล้วลองลู่เสียตัวดูสิป้อมหลงก็ไม่เงี้ยก็หมดไปแม้มันหลงแล้วหลงอีกแต่ลู่แล้วลู่อีกใช่อันเดียวสูตรเดียวอันเดียวควรูโล่งสตัวไปว่าจะตั้งไว้ที่ไดนตั้งไว้ที่ตายเคลื่อนไหวยกคนสร้างไปว่า สร้งไว้กับการเดินจงกองก้าวสร้งไว้กับลมหายใจเท่าผลิตผลที่เล็กที่น้อยจิตตาตูนน้ําลายทำอะไรก็ตด้หัดเทไน่ตองจะน้สัยมันมันจะเป็นมั๊กตรงนี้มั๊กคือดูคือรู้คือเห็นเห็นอะไรเห็นทุกอย่างความสุขก็เห็นความทุกข์ก็เห็นความคิดก็เห็นความถูกก็เห็น ห่าเถอะอะไรจะา่าจะเห็นเท่านั้นมม่มีตรงไหนที่จะเปลี่ยนตามบังนำทางได้โอ้ไม่มีเลยในชีวิตเราทางกายก็เห็นได้ขนะทางใจก็เห็นได้ขนาดคนอื่นไม่เห็นเราเห็นคนเราเป็นความหลงคนอื่นไม่เนเราเห็นเห็นความหลงเราเปลี่ยนความหลงเป็นความวว ร, มรมู้สึกตัวราอมันติลี่ยนได้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 ฟองดูสิตัวใครลูกก็เป็นของพระท่านทำสิใครในลูกเขาก็ได้ควไว้นะลูกพอเขาลูกเขาก็ได้ความลูกใช่หรืเป็นกรรมที่แน่นที่สุดอากลูกก็ทำใครไปช่วยเราไม่ได้มีแต่เป็นเิตรเป็นเพื่อนอย่างดีก็พูดเธอไปพูดปลุกปลเอาไว้เหมือนญาติทำคนหนึ่งยังยังกลับหรืยัง ทำไมก็บลูกชายกลับนะยังไม่จลันะเฮ้ยนี่นั่ง อ, อยู่เขาอยากให้หลวงพ่อเปิดคําพูดของพ่อว่าอะไรเกิดขึ้นก็ให้ดูอย่าเข้าไปเกณน์นาเขาก็ไปใช่เพราะมันเกิดขึ้นเขดูมันลูกเขาก็ดูควาลูกมันสุกเขาก็ดูความศุขเลยไม่ต้องเสียเวลาไปสุกไม่เสียเวลาไปเป็นกูรูไม่เสียเวลาไปเป็นผู้ใหญ่ก็ดูอะไรที่มันเกิดขึ้นก็ดูเลยนะ นี่เป็นคำพูดที่ไปประสบกับพวกเราเไม่ใช่แต่พระพุทธองค์สอนอไว้อย่างพุทโธจะไะมันบันคืออะไรต่าวาพุทโธเป็นคำพูดเฉยๆร้ว่าเป็นของจริงในชีวิตเรามีไหมราะว่าพุทโธในชีวิตของเรามีไหมต้องมีหมาที่อื่นไม่ไก้ต้องมีตัตวเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติทำไง ถ้าจะเป็นว่าเป็นวิทยาศาสตร์ก็เป็นวิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ได้ให้ผลได้ไม่จำาัดตานะถ้าเป็นพุทนาวุฒนากบพวกเราที่มาสุกโตมา ถ, ถึงที่นี่แล้วก็เป็นกัลยาณมิตรมาศึกษาเดียวกันแม้หลวงพ่อจะพูดตีขนาดไหนกี่วันกีคืน ประโยชน์กนอนฟังหลวงพ่อเทศสองสามชั่วโมงแต่ถ้าเรามายกมือสร้างจังหวานลูเสึกนกัวอาจจะดีกว่าเพราะมันเป็นของสัมผัสได้ทำพูดเป็นสมมติปัญญาการกระทำเป็นปรมาตารย์เพราะมันเห็นผีดสัมผัสไโอ้ตัวโตัวโตัวโลดให้เราได้สัมผัส กับความรู้สึกตัวแล้วสัมผัสกับความหลงแต่ถ้าไม่เคยสัมผัสกับความรู้สึกตัวจะไม่เห็นความหลงว่ามันคืออะไระหว่างความหลงกับความรู้สึกตัวมันต่างกันอย่างไรระหว่างความไม่โกรธกับความโกรธมันต่างกันอย่างไรต่อไปเราจะไม่มีคำถาม สัจธรรมไม่มีคำถามในแต่การพบเห็นพบเห็นพบเห็นการพบเห็นมันอยู่ใกล้ๆหรอแต่การคิดเห็นมันไกลโน่อยู่กรุงเทพโน่อยู่ประเทศอินเดียโน่แต่ถ้าพบเห็นมันอยู่กับกายอยู่ปเทศไทยอเอาวันนี้ก่อนพบกันเท่านี้ก่อนตอนรับธรรมะปรฏิสันถาเรารู้สึกว่าหมดแรงแล้วกันเอาวันเอง ให้หลายที่อไปลาดชะพัดไปเทพอบรมบันติดเขาไหว้ครู ก, ก็นอกกิจการประชมะุมเวลานั่งประชุมสองสามชมาั่วโมงออกเิจกรมาสแสดงธรรมที่ปัดสันติธรรมแล้วก็มาบวชบวชผัวเมียพูดถึงบวชพร้อมกันเข้าบวถพร้อมกันนั้น อันนี้นะเข้าบททรมกันเลยถ้าเป็นผัวเป็นเมียจะเป็นเพื่อนกันอวกหญิงนั่งข้างหนะุ่มชายนั่งข้างนั้นบทเสร็จแล้วประมาณนี้จาเป็นเพื่อนกันจมลนเดชระตก๊กเป็นของประดับท่ามาคอยหานเมื่อวานนี้ไปร่วมประชุมกับคณะกรรมการมาตรวจที่วัดค น, นักภาพของนักเรียน เราก็พูดถึงสรบจเิ็ัตับนกเขาอยากจะให้ครูทั้งหลายสร้างุนธรรมโดยการดูนกถ้าเล็กทับโตเก่งๆจะไม่มีหนังเสติกจริงนรอกแต่ถ้าใครได้ดูประวัติของนอกเห็นนกเรามาอ่านประวัติของนอกแค่นีด้ดีดูสักสิ ต, ตัวจะกอดแล้วกอดพอนะ แล้เด็กมาไปเด็ ก, ไป ด, กไปดูนกนะเขาสกเก็ตภาพมาเข้ามาดูตาําราแล้วอ่านดูประวัวตินกตัวนี้วันปีนิสัยใจพ อ, อยังไงอ่านดูเราได้อีกตัวที่สองอ่านดูได้อีกตัวที่สามที่สิบตัวอ่านดูก็ลองมาเปลี่ยนนิสัยของเด็กด้วยถ้าเขาได้สักสิบตัวพวเราก็มอบเข็มให้เปเ็นตะธานอันนั้นที่สุดเด็กเขาใจดีเขาก็พูดถึงเนี่ยความโล้ของ หาง่ายแตุ่นธรรมใเนี่ยก็ต้องเสริมสร้างดนหลายวิวแปน์ก็พ อ, อสมควรเจ็กหแล้วคนนี้ก็ด้วยความตั้งใจดีของพวกเรามาจนที่นี่จงได้เป็นตะระเทชะทานฝุนมงสงให้ทุกท่านประสบพเบเห็นกับสัจธรรมเบิกสงของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าในชาติปัจจุบันนี้แล้วก็สอนช่วยคนอื่นให้รู้ตาม มีความสุขทุกท <c oughs> ุนหน้าทุกคนทุกคนทัานเถิดกราบหักศอกกันอะระหังสัมมาสัมพุทธต陀า弥陀佛阿弥陀佛ว弥陀佛 ามันามสัมมิรูปติทธิโนภาภะวะโสมมัง โ, โสาม